พักแท่นพักแท่มดปีสามสามแล้วก็ยูอีสิบแปดปีปีสามสามเนี่ยสามสามลบอีสิบแปดปีที่กับที่กขาเริ่มต้นอันนี้ก็คือร่องรอยที่เราไปดูเราไปศึกษาเราก็ย้อนมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธรรมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมหลวงตาท่านให้ ความหมายสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือโทษของวัฏฏะโทษของวัฏฏะถ้าใครยังอยากวนเวียนไหายตายเกิดในวัฏฏะวัฏฏะสงสารนี่แหละคือโทษของมันจะต้องประสบพบเห็นจะต้องพบต้องเจอต้องเจอไม่พบไม่เจอไม่ได้เป็นโทษของวัฏฏะนี่แหละคือโทษของวัฏฏะพระอริยเจ้าท่านตั้งใจปฏิบัติพ้นไปแล้วไม่ต้องมาเกิด ไม่ต้องมาแกะมาเจ็บมาตายไม่ต้องมาขัดแย้งกันด้วยเหตุที่มีกิเลนหัวใจถ้าเราจะพูดตามหลักก็ปฏิจจสมุปบาทตันหา <c oughs> ตันหาในหัวใจของใครของเราตันหาเก่ามันสร้างเรามาแล้วตันหาใหม่มันมันก็มาสร้างรกรากให้กับตัวมันเองเป็นวงเป็นตระกูลเพื่อที่จะสืบหน่อต่อแขนง ต, ต่อไปอีก พวกเราเกิดมาด้วยอำนาจของตันหาคืออำนาจของความอยากบุตรเจ้าท่านทรงใช้คําว่าอวิชชาวิชชาอวิชาาวชาตันหาอุปาทานเนี่ยมันก็อันเดียวกันหรือมีอีกคํานึ่งก็ทฤษฎีว่ากิเลสกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานกิเลสหรือโมหะความหลงอันเดียวกันทั้งหมดเกิดขึ้นจากความไม่บริสุทธิ์ของจิตของเรา ทุกคนมีจิตด้วยกันทุกคนแต่จิตของเราเกิดมาตั้งแต่กับกันโพเรชาตไหนเราก็ทราบไม่ได้แตเ่เราทราบได้แต่ว่าเกิดมาแล้วไม่บริสุทธิ์มีกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยนี่สําคัญที่สุดพวกเราพยายามย้อนไปถึงต้นต่อเหล่า น, นี้แล้วเราจะเห็นเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นหัวโอ้โหใจของเราหอวใจของเขาหัวใจหัวใจของใครข อ, ของคนสูงคนต่ําคนทุกคนยากคนมีศักดิ์ศรีมีอะไรตัว อ, อะไรมันจะเหมือนกันหมด เนี่ยเราดูมาที่ผู้รู้ดวงเดียวเนี่ยผู้รู้ดวงเดียวนี่เกิดมาเกิดมาพร้อมกับกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจเกิดมาแล้วก็ไม่บริสุทธิ์มีมนทินเคลือบแสงมาด้วยคือกิเลสกิเลสแล้ว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองภายในจิตใจของเราความเศร้าหมองเราชี้ชัดลงไปอีกความโลภเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองความโกรธเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองตัณหาราคะ เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองความโลภก็คือความอยากได้ความต้องการเมื่อเราก็ต้องการเขาก็ต้องการก็ต้องมีการยื้อแย่งกันมีการแข่งการมีการแย่งกันเกิดโกรธเครียดแค้นที่ที่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะเมื่อเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคนมาขัดขวางเราขัดข้องขึ้นมาท้าเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะเมื่อเกิดการขัดข้องก็ต้องใช้กําลังใช้พลังใช้สติใช้ปัญญาใช้เรี่ยวแรง ต่อกรการต่อสู้กันเขาก็แสวงหาเราก็แสวงหาต่างคนต่างแสวงหาต้องใช้ความฉลาดต้องใช้กําลังนี่คือสาเหตุความเป็นไปความเป็นมาเป็นเหตุให้พวกเราแยกกันอยู่เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปเป็นทวีปเพื่อถูกกับหมู่กับใครของใครของเราไปอยู่คนเดียวโดดเดียวก็โดดก็เล่นงานง่ายๆเลยอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นพ้องอยู่อย่างนี้เลย เนี่ยความเป็นอยู่ของโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละความขัดขัดแย้งกันตั้งแต่กลุ่มเล็กๆไปจนถึงกลุ่มใหญ่ไปจนถึงกลุ่มประเทศไปจนถึงกลุ่มทวีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ตามสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามเกิดขึ้นเพราะอำนาจของความโลกภาษาธรรมะท่านว่าโลภะธรรมานางปริปันโทโลภะธรรมานางปริพันโทความโลก เป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายความโลภความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายความโลภ ก, ก็คือความอยากได้นั่นแหละตาเห็นรูปก็อยากได้รูปหูได้ยินเสียงภัยร้อไม่ภัยร้อ ก, ก็อยากอยากได้จมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเพราะตาหูจมูมกลิ้นกายมันเป็นช่องออกมาหาอยู่หากินของใจใจมันออกมาทางตาไปเห็นรูปเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบ ชอบก็เป็นตัญหาไม่ชอบก็เป็นตันหาผมพูดแล้วผมก็เงียบไปเลยเหมือนกันเลยความโลภตันหาตันหาคือความตันหาก็คือความต้องการความต้องการมันออกมาทางความผู้รู้มันออกมาทางตาเราศึกษาธรรมะเราพยายามศึกษาเรื่อง เรื่องจริงของจริงอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจได้เร็วเช่นอย่างเรามารู้ว่าเรามีกายกับมีใจใจของเราคือธาตุรู้คือผู้รู้ตาจะไปเห็นรูปหูจะไปได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายไปถูกต้องสัมผัสอะไรทุกอย่างก็ตามออกไปทา ง, งทวารทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่น้อมนึกภายในใจต้องเรียกว่ามโนทวารมโนทวาร ใจมันออกไปรับรู้ข้างนอกใจมันอยู่ข้างในมันเป็นนามนธรรมแต่มันออกไปสัมผัสข้างนอกมันออกไปหากินเราพูดเราพูดตามภาษาของกิเลสของตัณหาก็คื อ, คอมันออกไปหากินแต่ออกไปแล้วเห็นยินดีก็เป็นตัณหายินร้ายก็เป็นยตัณหายินดีก็เป็นกิเลสยินร้ายก็เป็นกิเลสดูยังไงไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้าย ดูให้เห็นศักแต่ว่าเห็นถ้าเป็นที่ชอบใจก็ยินดีเมื่อยินดีแล้วก็พยายามดึงเข้ามาเมื่อเมื่อยินร้ายก็พยายามผลักเข้าไปผลักออกไปเหมือนอย่างเรายินดีเราก็พยายามดึงเข้ามาผลักเข้ามาแสวงหาเข้ามาดึงเข้ามามีคนมาขัดขวางมันก็เป็นเหตุให้เกิดยินร้ายผลักออกไปตัดออกไปชาระออกไปถ้าเป็น ถ้าเป็นสู้รบสู้ทัพจับศึกก็ใครมาขัดขวางก็ตายไปข้างหนึ่งนี่ลักษณะแบบนี้นี่คือเ ป, เป็นเรื่องของตันหาเราพูดถึงการเกิดของกายกายของเรานี่ก็เป็นผลของจิตนะโดยเหตุที่จิตของเรามีกิเลสเราจรึงต้องมีกายช่วงใดช่วงใดพบใดที่จิตของเรามีคุณสมบัติพร้อมพอที่จะได้มนุษย์สมบัต เราก็จะได้มากายมาได้ไก่มนุษย์ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติพอพร้อมที่จะพอที่จะเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสูรกายถ้าไม่มีคุณสมบัติจะเป็นมดเป็นแมงเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นควายเป็นวัวเป็นอะไรสารพัดเพราะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์นี่คือความเป็นมาของกาย Der Körper ist die Frucht des Geistes d e r der Frucht der Handlung des Geistes und die Art und Weise, wie wir handeln, stimmt auch, was für eine Art von Körper wir haben. Wenn wir äh, Gutes tun, äh, edel handeln, dann führt das dazu, dass wir einen menschlichen Körper anlegen können. Wenn wir äh, nicht gut handeln und keine Verdienste erwirken, dann werden wir einen Der der oder oder oder การที่เราจะได้กายก็คือคุณสมบัติของใจนั่นเองถ้าใจหยาบก็จะได้กายหยาบถ้าใจละเอียดถึงขั้นได้มนุษย์สมบัติก็ได้เป็นมนุษย์ใจละเอียดมากไปกว่านั้นเช่นอย่างมาภาวนาจิตละเอียดสงบ ได้ชั้นเทพชั้นพรมใจละเอียดหมดกิเลสตัณหาสภาวะไม่มีอัตตาตัวตนได้นิพานการไปอุบัติการไปอุบัติอย่างเรามาอุบัติเป็นมนุษย์นี่ท่านเรียกว่าปัญจโวการมีอาการหอาการ5้าคือขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าปัญจโวการเอกโวการพวกพรม ที่มีแต่รูปไม่มีนาม อ, มอจตุวการอาการสี่มีแต่นามไม่มีรูปอันนี้คือการได้มาได้มาอบัตเป็นกายการเกิดเป็นรูปเป็นร่างบางสัตว์บางจาพวกเกิดในคันเช่นอย่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดในคันของแม่แต่ก็อาศัยว่า มีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่ได้จังหวา ท, ที่พอดีแล้วก็เกิดในท้องแม่แล้วก็มีจิตที่มีคุณสมบัติมีกรรมพอๆกันกับจะได้รูปอัตภาพนั้นๆไปอุบัติเมื่อสัมผัสสัมพันธ์และเกิดในท้องแม่แสดงว่าเหตุปัจจัยเหมาะเจาะพอดีสมประกอบกลายเป็นกองสังขารกองหนึ่ง เล็กๆมองไม่เห็นนี่การเกิดของคนเราเกิดในท้องแม่ไอสัตว์สัตว์อื่นเราไม่พูดเราพูดถึงคนเอาเคนี่ก่อนนี่ที่ที่เกิดของคนครับที่เกิดที่เกิดเป็นรูปของคนทนีนามคือใจของคนเกิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงอนามคือใจของคนเกิดนามอ่ำรูปของคนก็ก็เอาธาตุที่มีอยู่ในโลกมาเกิด พุทธเจา้าท่านว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟสีนจิตเอาอะไรมาเกิดจิตก็เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่จะเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุเป็นธาตุที่เกิดขึ้นในโลกมีอยู่ในโลกเป็นธาตุที่มีประจำมากับโลกแต่ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นพุทธเจา้าท่านว่าไม่ปรากฏใช้ท่านพรงใช่ครัว่าอาวิชาอาวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังขารที่มาเกาะกลุ่มที่เป็นรู ป, ปรธรรมในท้องแม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสังขารคือตันหาตันหาเป็นเหตุให้เกิดตันหาเป็นเหตุให้เกิดความอยากในใจของพ่อของแม่เป็นเหตุให้มาเจริญพันธ์กันแล้วเกิดเป็นรู ป, ปรธรรมในท้องแม่อันนี้รู ป, ปรธรรมนะแต่ว่านามธรรมก็คือตันหเกิดในใจของพ่อของแม่นะ ซึ่งเป็นใจที่ไม่บริสุทธิ์ใจไม่ไม่บริสุทธิ์ใจนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่กับการโบรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่ว่าเกิดมาแล้วไม่บริสุทธิ์มีกิเลสตัณหาอาสวะปนเปื้อนมาด้วยพ<ม>ระพุทธเจ้ท่านใช้คําว่าอาวิชชาเป็นปันจจัยเกิดสังขารขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าอาวิชชาก็คือรู้ไม่ได้ตอบไม่ได้ ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเป็นหลักปรัชญาอย่างหนึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาพอในขณะนั้นตอนนั้นเป็นเหตุให้สังขารก่อตัวเกิดขึ้นแต่เอวิชาปัจจัยสังขารก็ทันหามันมันมันประกอบอยู่แล้วใช่ไหมตันหามาด้วยแล้วมาด้วยแล้วตันหาคือความอยากพอปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันรวมกันมีก็มีหมดมีหมดมีก็หายก็หายหมดหายก็หายหมดมีก็มีหมดใช่ไหมครับแต่พุทธจ้ามาแยกให้เราเข้าใจ อิทธปัจจยตรรมันอวิชชาหายจากจิตมันพังหมดใช่ไหมจิตก็ไม่พังผู้รู้ไม่พังปฏิจจสมุปบาทพังหมดใช่ไหมเมื่ออวิชชาเมื่ออวิชชาออกจากจิตสังขารวิญญาณอะไรก็พังหมดใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทก็ไม่พังปฏิจจสมุปบาทก็ไม่พังแต่ว่าหมดตัณหามันหมดตัณหา ในเมื่อมันหมดตัณหาแล้วก็มันหมดอุปาทานหมดการหมดการถือมันก็มีโดยหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละอแต่ว่าอที่ว่ามันดับระดับคือความอยากมันดับตัณหามันดับตัณหามันไม่มีนามมันมีมันเป็นรูปธรรมมันไม่เป็นนามธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องสังขารสังขารจิตมันมีสังขารรูป แล้วก็สังขารนามสังขารนามคือสังขารจิตอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารขึ้นที่ว่าสังขารคือสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่าสังขารทีนี้ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมากับกิเลสเป็นสองแหละเป็นกองสังขารเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารที่เป็นนามธรรมสังขารที่เป็นรูปธรรมเราไปชี้ไปที่ว่าเราเกิดในท้องแม่ อาศัยว่าพ่อแม่เจริญพันธ์กันแล้วเราก็ไปปฏิสนธิในท้องแม่สาเหตุที่เรามาปฏิสนธิในท้องแม่ก็เพราะว่าจิตของเราไม่บริสุทธิ์นั่นเองยังมีการยึดถือยังมีการต้องการพบต้องการชาติอยู่เพรานะฉะนั้นเราพูดให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าการเกิดของพวกเรานั้นเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้ไม่มีพระเจ้าสร้างอันนี้คือเส้นสายการเกิด เราพูดให้เกิดความเข้าใจเราเราไม่ได้ชี้ไปที่ว่าคนนั้นสร้างคนนี้สร้างคนนั้นทําคนนี้ทํามีเหตุมีปัจจัยรูปธรรมรูปธรรมก็มีเหตุมีปัจจัยนามธรรมก็มีเหตุมีปัจจัยทีนี้เราจะไม่ต้องมีตัณหาไม่ต้องมีอุปาทานเราจะต้องพยายามพยายามเจริญกรรมฐานแบบที่พวกเราฝึกฝนอบรมกันนี้แหละ งงนะไม่ไม่ไม่เราจําคร่าวๆก่อนเราฟังคร่าวๆก่อนเราศึกษาไปเราจะค่อยๆเข้าใจไปเราต้องการจะไม่ให้มีเพราะมหิไม่ให้มีชาติเราก็จะต้องทําลายอวิชชาเราก็พยายามศึกษาเกิดวิชชาขึ้นมาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจวิชชาทําลายอวิชชาทําลายโมหะความรุ่มหลงทําลายราคะทําลาย ตันหารวมลงคือทำลายกิเลสทำลายสิ่งที่เป็นมณทินของจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่มาซักมาฝ่อจิตของเราด้วยการรักษาศินด้วยการเจริญสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาอันนี้ก่อนที่เราจะดึงเข้ามาสู่ประเด็นหลักที่เราพากันทําเนี่ยใ ห, ให้มันรู้จักเชื่อมโยงกันมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจว่าโอ้ความเป็นมาของเราเป็นนี้ เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รูปธรรมของเรามาอย่างนี้นามธรรมาของเรามาอย่างนี้เป็นเหตุให้เรามาลุ่มหลงมาเกิดราคะโทสะโมหะเป็นเหตุให้เราต้องมาฆ่ามาแกงมาอะไรต่ออะไรกันอ่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุแต่แท้มันมาอย่างนี้วิธีการจที่เราจะกําจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลคําว่ารักษาศีลก็คือเริ่มเริ่มกํากับ จำกับกิริยาทางกายทางวาจาคำพูดแล้วก็เจริญสมาธิหยุดกิเลสไม่ให้นึกให้คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาญาณวิปัสนาวิปัสนาญาณเพื่อทำลายอวิชชาความรุ่มหลงเราฟังเราฟังเราฟังให้ได้แนวแนวคิดให้ได้แนวปฏิบัติเราจะเข้าใจละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจปฏิบัติ ถ้าถ้าเราไม่ตั้งใจทำอย่างนี้เราโลภเราก็จะโลภไปเรื่อยๆมีใครมาขัดมาข้องมาคาโกรธก็โกรธฆ่าแกงกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆบบโลกนี้จึงมีอยู่อย่างนี้บบเป็นอยู่อย่างนี้เราดูแต่เราดูแต่พระเทวทัตเออเ อ, อ่ยยกตัวอย่างนิทานพระเทวทัตเพื่อเราจะเข้าใจง่ายเราดูแต่พระเทวทัตโลภไม่ได้อะไรสักอย่างความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลาย ความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายเราดูพระเทวทัศน์ไม่ได้อะไรสักอย่างได้ฌานก็เสื่อมไม่มีคุณสมบัติอะไรแต่อยากปกครองสงฆ์อยากทำตัวแทนพระพุทธเจ้าอ่าเสร็จแล้วก็เป็นเวรเป็นภัยกับพุทธเจ้ามาทุกพบทุกชาตินี่คือพระเทวทัศน์ในที่สุดแผ่นดินสูบตอนแผ่นดินสูบระลึกได้สํานึกได้กลับ ตัวได้มาถึงตอนนี้พระเทวท่านนี่สาคัญมากกลับตัวได้นี่สําคัญที่สุดกลับตัวได้ไหมกลับตัวได<อ>้ไหมเพราะว่าเลิกทําแบบนั้นและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินตามหลังพระพุทธเจ้าโอคิดว่าตกนะเขารบนับถือพระพุทธเจ้าเต็มที่เต็มร้อยแต่ว่าด้วยกรรมที่ทําจะต้องไปตกนรกเสีก่อนโอ้เมื่อเมื่อหลายเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอ เปลี่ยนใจเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตอนแผ่นดินสู่ใกล้ขอก่อนกนจะเข้าอนเโ็นตอนนั้นเองนะตอนที่แผ่นดินเปลี่ยนใจเขาียกเขาเรียกว่าโมเมนต์เาเรียกเขาเรียกลับใจเขาเรียกกลับใจได้เรามาเรามาดูการสร้างฐานะสองแบบแบบหนึ่งสร้างฐานะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า เรามาดูอีกแบบหนึ่งสร้างฐานะเพื่อความเป็นพญามารแบบแบบพระเทวทัศน์นี่สร้างฐานะเพื่อความเป็นพญามารพญามา น, นี่ไปไม่ได้แต่ถ้าสร้างฐานะเพื่อความเป็นพุท ธ, ธนี่ไปได้พระพุธธทธยอดธลุลุโปร่งะลุไปได้แม้แต่มารตอนไปผจญมารไปผจญพระพุทธยอดตอนพระเจ้าจะบรรลุธรรมในวันเพณฑเดือนหกนั่นแหละพญามารไปผจญในท้ายสุดก็ ไปเอาอะไรไปขัดขวางพุทธเจ้าก็ไม่ได้สักอย่างในสุดก็ล้มเลิกอล้มเลิกพฤติกรรมของตัวเองตั้งใจที่จะเจริญรอยปฏิบัติเพื่อความเป็นพุท ธ, ธะพญามารเองด้วยพยามารก็กลับใจอพระพระเทวทัตก็มาระลึกได้ว่าอเราทําอย่างนั้นกับพระองค์ก่อนแล้วทําอย่างนี้กับพระองค์ก็แล้วบารมีสู้พระองค์ไม่ได้พระองค์ไม่เคยมีมีแต่มเมตตากรุณาเราตลอด พอพอแยกสงไปแยกสงไปแล้วก็พระสงฆ์พระสารีบุตรโมคลานะตามไปเทศให้สงคณะสงฆ์เหล่านั้นฟังคณะสงฆ์เหล่านั้นฟังแล้วได้เป็นพระอาหารหมดพระกันห อ, อกกลับหมดพระเทวทัก็เลยมาระลึกสํานึกได้แล้วตอนนี้ว่าเจ้าของนี่พยายามเบียดเบียนพระพุทธเจ้าทุกรูปแบบเหมือนกันเถอะในสุดไม่มีสัมผัจอะไรสักอย่างคือตั้งใจโลภโลภไม่ได้อะไรสักอย่างในที่สุดก็ให้ลูกศิษย์พาไปขอขมาพระพุทธเจ้า ไปขอขมาพุทธเจ้าคือคือกลับใจตั้งแต่ตอนเนี้ว่าจะไปขอขมาพุทธเจ้าแต่ตอนที่จะกลับใจได้เต็มร้อยก็ตอนแผ่นดินสู บ, บสูบใกลจะจมไปแล้วเนี่ยเลือแต่คางกันไกลเนี่ยยกถวายพุทธเจ้า<ม>พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาพระพุทธเจ้าท่านกระสงยิ้มอยู่อยู่ที่ประเทศตะวันน่ะว่าเออที่พระเทวทัตเพื่อนมาคบกับเราเธอก็ไม่เสียเปล่า และก็เลงดูอนาคาตังสยามจากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านั้นกับพระเทวทัตจะต้องได้ม า, าบัตเป็นพระปัจเจกพุทธ<ม>เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีภิกษุภิกษณุณีบาโสบาสิกาแต่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็พูดให้เกิดความเข้าใจว่าการสร้างบารมีเพื่อเป็นพญามารสามารถยิ่งใหญ่ได้แต่ทะลุไปไม่ได้ อ่าถ้าสร้างบา ร, รมีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเปรคาบา ร, รมีทั้งสิบที่พุทธเจ้าท่านสง่งท่านส่งสร้างบา ร, รมีนี่บา ร, รมีทั้งสิบนี้ทานทั้งก็ให้มีความรอบมีอะไรก็พยายามละละละล ะ, ละทานศีนลก็พยายามตั้งใจรักษา ไม่ฆาสัตว์ไม่รักษาไม่พระพฤทธภิดในกรมสินห้าสินแปดสินอะไรละแล้วก็คือข้อปฏิบัติรักษาทั้งหมดเนคขามะทานศินเนคขามะเนคขามะคือออกบวชออกบวชที่สําคัญที่สุดการออกบวชอย่างเดียวเนี่ยทําให้บรารมีทั้งสิบเนี่สมบูรณ์หมดนะาาบวชเนคขมะบารมีเนคขามะปัญญาบรารมีวิริยะบรารมีขันติสัจจ์อธิษฐานเมตาเาาเมตาอเบขาบารมีเมตตาอเบขาบารมี นี่คือบา ร, รมีที่พุทธเจ้าทานรงสร้างนะแต่การสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพยามานเราดูเราดูบรรดานักปกครองนะักการเมืองทั้งหลายที่เขาพยายามอยากยิ่งอยากใหญ่อยากโ่งอยากดังอยากนุนอยาก น, นีอยา ก, อ, ยากอะไรจะไรสรพัดเท่าที่เรามองเห็นเป็นเรื่องของโลกเนี่ยเราก็มาเทียบพอเป็นข้อเข้าใจว่าโอ้มันไม่ได้สร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุท ธ, ธเพราะฉะนั้นมันจึงมันจึงมีเดือดร้อนข้างหนึ่ง ได้ข้างหนึ่งเสียข้างหนึ่งเดือดร้อนข้างหนึ่งได้รับความสุดวกสบายข้างหนึ่งอมีการฆ่ากันมีการแย่งชิงกันมีการเหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยสร้างบารมีเพื่อเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือเหมือนอย่างพุทธบริษัทพวกเราที่พวกเราพยายามสร้างบารมีกันเราพยายามสร้างบารมีเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์หมดจบจากกิเลสอ่า การสร้างบารมีเพ <jas avez in mind> ah, ah, ื่อเป็นพุทธะพวกเราถ้าบรรลุธรรมท่านก็เรียกพุทธธรรมกันนะออ่าพระโพธิญาณพระโพธิญาณก็คือพระพุทธเจ้าอสาวกผู้ได้บรรลุธรรมก็ถือว่าเป็นพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันสร้างบารมีเพื่อเป็นพญามารเหมือนดึงเข้ามากอยเข้ามากอยเข้ามาโกยเข้ามาสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธะเนี่ยสละออกไปสละออกไป ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรรมัตบารมีสละออกไปหมดเราดูได้ต่างกันไหมสร้างบารมีเพื่อเป็นความเป็นพยามารโกยเข้ามากยเข้ามายเข้ามาสร้างบารมีเพื่อเป็นพยามารสร้างบารมีเพื่อเป็นพยามารฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาอยากให้พวกเราดูตรงนีให้ออก เอามากำกับกับพฤติกรรมการกระทำของเรานี่สร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพญามารยิ่งใหญ่ได้ไหมยิ่งใหญ่ได้ <c oughs> ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันแต่ก็ไปตันอยู่แค่นั้นมันไปทะลุมันทะลุไปไม่ได้อ่า <c oughs> มันก็มันก็วัฏฏะสงสารก็ไม่จบหรอกอ๋อ <c oughs> พอตกจากตรงนั้นก็ตุ๊ลงไปเป็นสัตว์นรกเป็นอสูรกายเป็นอะไรไปอย่างนั้น <c oughs> มัน <c oughs> มันไปไม่ทะลุ เพื่อความเป็นเพื่อความเป็นพุท ธ, ธะเนี่ยเพื่อความเป็นพุท ธ, ธะเนี่ยปัญญาปัญญาปัญญาปัญญาบารมีปัญญาบารมีปัญญายาณวิปัสนาวิปัสนาญาณสมถะวิปัสนาวิปัสนาญาณศึกษาเรื่องเหล่านี้เข้าไปมันจะสามารถทำให้จิตดวงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิตรงกันข้ามสร้างบารมีเพื่อเป็นพยามารมีแต่สังสมมิทธิชาทิฐิ มิชานที่สี่คือเข้าใจผิดสําคัญผิดยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดเนี่ยแล้วก็เพิ่มเพิ่มพูนอวิชชาตันหาอุปาทานภพชาติไม่จบไม่สิ้นสุดเนี่ยเพื่อเป็นพุทธะใช่ไหมรักษาศินตั้งใจรักษาโอ้สินห้าตั้งใจรักษานับได้เลยโอ้ผิดเท่านั้นครั้งผิดเท่านี้นครั้งลดย้อนผ่อนผันอา้าเหลือเท่านั้นครั้งเหลือเท่านี้นครับเออบริสุทธิ์หมดจด สามารถทําได้รักษาได้ตรงการข้ามสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพญามารไม่สนใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นยังไงได้เอาหมดประพฤติผิดใ น, ในกาลมากมา ก, มากในตัณหาพูดยังไงก็ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, ได้เอาเล่ามาหมอมเมาให้เกิดความกล้านี่คือสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพญามารแต่ถ้าสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพุทธศีลเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหมด เราเราพิจารณาในแง่ตรงกันข้ามแบบนี้จะทําให้เราได้ข้อปฏิบัติเทียบเคียงได้อย่างดีถ้าเราสนใจอยู่แค่เป็นพยา ม, มานแล้วก็ไปตันตันอยู่กับวัฏตักสงสารเกิดแก่เยียบตายเกิดแก่เจ็ยบตายเกิดแก่เจียบตายแล้วก็กองทุกขมันก็พัฒนาไปในหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเราพัฒนาไปบนกองทุกไม่มีจบไม่มีสิน้นวัฏตัสงสารยืดยาวไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบที่พ่อครับถ้า ถ้าจะพิชสิงขนาดนี้ทําอะไรร้ายกันขนาดนี้อํานาจที่จะจําเป็นต้องการเพื่อจะเป็นพญามารมาจากไหนก็นาเก็อํานาจความมิจฉาทิฐินี่แหละมันไม่รู้ช่องทางว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริง่จริงอำจขอให้สมอยากขอให้สมอยากขอให้สมอยากแต่พญามารมันมันเดินทางผิดมันเดินทางไม่ถูก ถ้าเดินตามบารมีของพุทธเจ้ามันเดินทางถูกมันทะลุไปได้แต่พญามารพญามารมันเดินทางผิดมันทะลุไปไม่ได้ใช่แต่ทําไม่ไม่ไม่ไม่ตกนรกตกตกตกเปนเทลชาญเฉยเฉยโอ้ยตกตกหมดแหละสัตว์เปรตนรกอสุรกายแต่ถ้นก็เหม่ไม่ก็เหมือนก็เหมนพญามารพญามารเป็นเทวตาสูงสุดในในกามโลก็เทวตาสูงสุดแล้วมันเที่ยงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันก็ตกกระปองอ่ะอ่ามันทะลุไม่ได้ในไปเวลาไปผจญพุทธเจ้า เอาพุทธิย่าอยู่ไหมเอาพุทธิย่าไมา่อยู่ใช่ไหมบารมีของพุทธิจ้ามาปกป้องมาคุ้มครองทําอะไรไม่ได้ในสุดขวางไม่ได้พระองค์มันลุกไปได้เสียใจทํามึงไงก็สู้ไม่ได้ทาไงก็สู้ไม่ได้ปรารถนาเดินตามพระองค์ดีกว่าปฏิบัติให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปตามพระองค์ดีกว่าเหมือนพระเทวท่านี่แหลอะอถ้าไปทางอื่นไปไม่ทะลุไปไม่ได้ไปไม่ทะลุถ้าไปตามพุทธิจ้าเนี่ยทะลุไปได้ คำว่าพยามาเนี่หมายความว่ามันไปขวางทุกอย่างขวางโน่นขวางนี้ขวางตนอัตตาเป็นอย่างเขาบอกว่าแล้วทําไมเทวทัตเขาถึงมีอํานาจขึ้นมาได้ในเมื่อใจเขา็เขาเป็นมารเอาเขามาเนั่นแหละไม่ใช่หรือมารก็ใหญ่ได้ก็บอกแล้วเนี่ยมารมันก็ใหญ่ได้แล้วเขาเอาเอากําลังนี้มาจากไหนกําลังเขาก็เขาก็เขาาก็สะสมมานี่แหละสะสมแหละชวก็ก็พิชศิน คนผิดศีลรวยได้ไหมผิดศีลมันก็รวยได้ใช่ไหมทำไมต้องเป็นใหญ่หญใหญ่ใหญ่แต่ใหญ่ใหะ้ใหญ่ใหญ่ที่สุดสุดสุดสุดแต่คือคือใหญ่ๆญ่แต่ทะลุไปได้ราคะโทสะคือเอาเอารับสึกไม่ง่ายว่าพวกพญามาทำเพื่อเสริมเสริมเสริมราคะโทสะโมหะแต่พระพุทธเจ้าบารมีเพื่อเป็นพุทธเพื่อละราคะโทสะโมหะ มันก็หมดไปได้แต่อันนั้นมันหมดไปไม่ได้มันก็ตันอยู่อย่างนั้นแหละอ่าเพรกะเข้าใจแต่ว่าที่จะมาทะทลุมาได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความดีมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิความดีมันมาจากไหนชิตจะไฮมีอํานาจขนาดเป็นพยามารได้ไหมพลังรพระอาจารย์พลังเพราะอะไรพลังขอ <วะ S 1> งความธํามไม่ดีทําไมไม่ตกนรกเฉยๆกั อย่ความต้องการมันเป็นพลังขึ้นมาหมดค่ะอาจารย์แต่มันมาแบบพลังสูงสุดแค่นี้แต่ว่าพงพระพุทธเจ้าสุดอีกสุดอย่างพวกอส่างพวกคลิปเนี่ยเขาก็สามารถไปเป็นเทวดาได้เป็นเป็นเทวได้ใหญ่ๆได้แต่ก็จนทะลุไปไม่ได้ครับนี่พอเข้าใจครับทะลุไปไม่ได้มันทะลุไปไม่ได้ครับมันเราเราเรียกได้ทุกอย่างเลยที่ที่เดินทางผิดเป็นพญามารเป็นมารเท่านั้นอ่ะ ไปไม่ถูกปไมือนในพระสูตรก็มีเคยมีมียักษ์เป็นเพศที่มันกินความโกรธจำได้ไหมมีเป็นเป็นทุเิยจ้กรก็เราให้ฟังมีเป็นเพศจะเป็นเป็นเป็นอมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเมื่อคอน่นโกรธเพราะว่ากิน กินอำนาจของโกรธของคนอื่นมันให้เข้าใหญ่โตใหญ่โตใหญ่โตอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันนะทำทำอะไรคือมันะไรมันเรื่อยๆก็มีอนาจด้วยมันสําคัญผิดความโลภก็คือสําคัญผิดนะครับความโกรธก็คือสําคัญผิดครับเป็นมิจฉาทิฏฐินะราคะตันหาก็คือสําคัญผิดเข้าใจผิดครับเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนะทีนี้เขาทำในในเขาทำในในลักษณะที่ว่า ไม่เคยสนใจเรื่องที่จะทําลายความโลกทําลายความโกรธครับมีแต่ทาให้สมใจให้สมใจให้สมจใจให้สมอยากให้สมให้สมอำ น, นาจของตัณหาที่มีอยู่ในใจใความยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ได้แต่ยิ่งใหญ่ด้วยอํนนานาจของตัณหาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพยามารมันมันมันมิชชัทิฏฐิเราเร า, เราพูดสรุปว่าเป็นความเป็นเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาแบบ ปัญญาให้เข้าใจเข้าใจผิดเป็นสุดยอดมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิอ่ามิจฉาทิฐิถราซอีกส่วนนะือคือเราใช้คานี้เราจะทาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าไม่กลับใจถ้าไม่กลับใจก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้ากลับใจเหมือนถ้ากลับใจเหมือนพระเทวทัศน์เนี่ยได้กลับใจปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่ได้พาพระพุทธเจ้าท่านท่านท่าน พุทธเจ้าตอนพระองค์จปนะะปริพาณนะสุภ<ม>ัทปริพาชคน่ไปถามนะ่ะว่าบรรดาครูทั้งหลายว่กคนนั้นก็เป็นอรหันต์คนนั้นอรหันต์คน น, น, อ, ค น, น, นอยากอยากทราบว่ า, าศาสนธรรมาศาสนธรรมของใครบ้างาาที่เป็นพระอรหันทรุติเจ้าท่านก็ทรงท่านก็ทรงตอบทรงตอบว่ า, า, าศาสนาใดก็ตามที่มีอรอยิยมรรคมีองค์แป ศาสนานั้นมีพระอาหารหันต์อาริยมัติมีองค์แปดมีเฉพาะในศาสนาของตถาคตเท่านั้น mm hmm. คิดดูเรามาพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่เราคิดเอาเราไม่ใช่คิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คดแล้วก็ได้ต้องทําเอาสร้างบา ร, รมีแล้วดูทีโอโหเสียสงไข่เนี่ย mm hmm. แสนมหากราบอีก mm hmm. โอโหปัญญาบา ร, รมีอปัญญาทิฏกพระพระโคโดมของเราและประเภทีแปดสงไขย แสนมหากัปประเภท16อสงไัยแสนมหากัปต้องใช้ระยะเวลาสร้างบารมีเท่าไหร่อันนี้คือคุณสมบัติที่สร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่คิดนึกเอาพลิกเปลี่ยนแปลงได้แป๊บเดียวก็ได้เปลี่ยนไม่ใช่แต่พระสาวกนี่พระสาวกนี่ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนี่ยสมัติพลิกเป็นได้เลยพระสาวกเนี่ยเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ย เราทำลายกำแพงเบอร์ลินได้ไหมทำลายกำแพงเบอร์ลินได้แล้วใช่ไหมเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้กำแพงเบอร์ลินเนี่ยราไปหมดแล้วที่ที่มีกำแพงเบอร์ลินก็เพราะพลังของสิ่งเหล่านั้นแหละกำแพงมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรความโลกมีคนมาข้องมาคาก็ฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าเราดูที่ มีเหตุผลหน่อยเหตุผลของพยายา ม, มานทั้งนั้นเราพยายามดูให้ฉลุดูดูดูดูให้ฉลุลลดูให้ขอเราพูดตะเล่าใหม่อย่างนี้แล้วจะทําให้เรามีกระจิดกระใจอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอยากปฏิบัติธรรมเพราะอันนี้เป็นร่องรอยที่พระพุทธเจ้าอาที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้ว ให้ทานตามเยี่ยงอย่างของพระองค์แต่สร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลาบากนะทานบา ร, รมีทานอุปบา ร, รมีทานปรมัภิบา ร, รมีให้ทานพื้นๆธรรมดาให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานคิดดูสิพวกเราแค่มีอะไรก็ให้ไปให้ไปให้ไปให้ไปเขาทําอะไรก็ทําไปให้ไปทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ จะทําให้เราปัญญาก็โู้ปัญญาไม่ใช่ปัญญาหนังสือทุกเล่มทุกไม่ใช่ไปเรียนรู้ศาสตร์หมดสารพัดปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาสมรถะเพื่อวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาญาปัญญาปัญญาญาปัญญาจากการภาวนาไม่ใช่ปัญญาทั่วทไปจบกี่ดอกเตอร์ก็ตามแต่ถ้าไม่ถูกขนทางที่พุทธิยถาท่านสอนไว้ก็อาจจะ หลงเป็นรูปมือของปยมานไ ด, าด้เราพูดเราพูดธรรมะมาวันนี้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะน <c oughs> เราพูดเราพูดธรรมะที่ฟังฟังฟังอะโนมาฟังอโนมา <c oughs> อโนม า, อนมาเป็นไงอา <c oughs> มาโนอามาโน <c oughs> ที่ฟังน้ําอะโนมา <c oughs> เราพูดธ ร, รมะวันนี้เราพูดที่ฝั่งฝั่งน้ําอะโนมาอมาโนขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วเราพูดที่ไหนเราสนทนาที่ไหนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นอะจะพูดตรงไหนก็เป็นสิริเป็นมงคลจะพูดตรงข้างห้องน้ําจะพูดตรงกลางแจ้งกลางฝนตรงไหนก็ตามพูดเป็นเหตุให้เกิดความ เข้าใจกันและเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นจะพูดกลางวันกลางคืนจะพูดตอนไหนก็ตามเราต้องพยายามให้โอกาสเราต้องพยายามได้ยินได้ฟังเราต้องพยายามจดจําเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญงอกเงยงอกงามในจิตวิสัยของเราเพราะคําว่าสิริมงคลสิริมงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญเข้าใจไหมเรื่องบารามีเรื่องบารามีเข้าใจไหม บารมีสร้างสร้างบารมีเพื่อตามรอยพระพุทธเจ้ากับสร้างบารมีเพื่อตามรอยพยามาณแยกให้ออกกันแล้วกันแหละมันอย่าหลงหลงสร้างตามพยามาณอยเรื่อยแหละพยามาณพยามารเราไม่ต้องดูความโลภความโกรธความรุ่มหลงราคะตัณหาที่มันอัดแน่นในหัวใจของเรานี่นี่คือพยามาณดูเข้ามาในมันให้มันละลายไปเลย เมื่อจิตเมื่อจิตยังชําระกิเลสตัณหาอาสวะออกยังไม่หมดก็จะเป็นจะเป็นสองหรือจะเป็นสลายนก็แล้วแต่แหละมันจะเป็นมากกว่าแม่น้ำไม่มหานาทีใช่ใแต่เป็นจิตไม่บริสุทธิ์ใช่แต่มันมันยังเป็นเป็นเป็นจิตเดียวกันจะไม่ก็ก็จิตก็ผู้รู้ผู้รู้ไม่บริสุทธิ์อ่ทีนี้เมื่อเราชั่เมื่อเราชําระบริสุทธิ์แล้วเนี่ยผู้รู้นี่หมดไปจากโลกไหมไม่หมดไปจากโลก เราชำระบริสุทธิ์แล้วเราชำระบริสุทธิ์แล้วเนี่ยผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่สูญไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกอย่าลืมว่ารูปธรรมกับนา ม, มาธรรมของเราเนี่ยเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดดินน้ํามลมไฟเรามาเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ทารู้เป็นทารู้ดั้งเดิมไปจํามากับโลก เบื้องต้นไม่ปรากฏเกิดต้งแต่ตอนไหนเมื่ อ, อไรเราก็รู้ไม่ได้แต่เกิดมาแล้วยังไม่บริสุทธิ์พัฒนาตัวเองยังไม่ถึงที่สุดยังไม่บริสุทธิ์ต่อมามีพุทธะมีพระพุทธเจ้ามาบัดสอนวิธีชะล้างให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผู้รู้เหล่านี้เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ชำรงกิเลสตหาอสุภะออกหมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นี้ไม่สูญไปจากโลก เพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังธรมังสังขังสรนังกระฉามิอย่าทาเล่นกระเทือนถึงพุทธะธรรมะสังฆะในมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้าปรินิพานาพระองค์ก็เข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4เข้าอารูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทิสธนนิโรธ เวลาผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่ผ่านฌานแต่ละแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นพระอนุรุทธาเนี่ยมองเห็นแต่แล้วก็ไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทีตนิโรธเหมือนกับเหมือนกับถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เหมือนกับเหมือนกับมรณภาพแล้วเหมือนกับตายแล้วแต่พระอนุรุทธาบอกว่าพระองค์ยังประทับอยู่ที่สัญญาเวทีตนิโรธทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานทั้งสัญญาเวทีริโรดเนี่ยเป็นวิหารธรรม หลวงตาท่านเรียกว่าเป็นสมมุติ mm hmm. เป็นวิหารธรรมเป็นที่พักของจิตเป็นที่อยู่ของจิตทีนี้เวลาเวลาท่านท่านย้อนมาคืนออกมาจากสัญญาเวทีในโรดมาเข้าอารูณประชานแล้วก็มาเข้ารูปปชานแล้วก็เข้าไปใหม่เข้าไปชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่ออกจากชานที่สี่ออกจากชานที่สี่นะชานที่สี่ก็ไม่อยู่ อรูปิชานท่านก็ไม่เข้าท่านไม่ได้ประทับอยู่ในสมมุติอะนะพระอนุรุทธามองไม่เห็นมองไม่เห็นผู้ดได้อย่างเดียวว่าอนุภาที่เสสนิพานแล้วพระพุทธเานิพานแล้วปรินิพานแล้วผู้ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะมีอยู่หรือไม่มีอยู่เวลาเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าทไมทำไมมองเห็น ไปประทับอยู่ในสมมติทำไมจึงมองเห็นเวลาไม่อยู่ในสมมติแล้วมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราเริ่มปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าไปเรื่อยไปร้ชาชรให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นพระโสดาสิกิาคารานเป็นะ้านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มอง <c oughs> ค ำ, คำสอนคำ ป, ปรอง์เป็นปรัชญาไหมเป็นปรัชญาไม่ศูนญไปจากโลกนะอ่าเนี่ยพระนิพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา <c oughs> หรือเป็นสุญญาตาหรือเป็นอะไรเราฟังดูติอ่ะพูดเท <c oughs> ่าเท่าที่เ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> คือคือรูปฌานอารูปฌานเนี่ยกัญญาเวทีตนิโรธเนี่ยมันเป็นสมมุติ แต่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นวิมุตติภารธรรมเป็นเป็นเป็นที่พักนะที่หลวงพ่ออธิบายเป็นที่พักของจิตเป็นวิหารของจิตใช่เขาบอกว่าเป็นวิหารธรรมที่เขาเข้าใจว่าทิพที่พักก็เป็นเป็นเป็นที่จิตเขาที่พักจิตเขาวิหารแต่ตามที่เขาเข้าใจว่า คือผลงานของจิตที่จิตฝึกได้แต่เป็นอาการของจิตบอกอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมได้ก็ อ, อาการของจิตนั่นแหละยาชาาร์ดุ่ไปชาอาการขงจิตเข้าสู่ความสง<ม>บทีนี้ไม่เกิดไม่เกิดอีกพวกเราพวกเรายังมีสมสมุติสมมุตินี่กับเกิดแก่เจ็บตายในมันนั่นเดียวกันต้องไปเกิดอีกแกแล้วก็เจ็บก็ตายต้องไปเกิดอีกแกแล้วก็เจ็บก็ตาย สมุิแต่พระพุทธเจ้าวิมุิวิมุมิคือพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วคืออะไรพ้นจิตพ้นแล้วจากกิเลสตัณหาอาสวะมันพ้นไปแล้วชัะไปแล้วล้างไปแล้วหมดไปแล้ววิมุิไปแล้วพ้นไปแล้ว ที่บาร์เข้าใจที่บาร์เข้าใจพ่เข้าใจพ่อเข้าใ จ, <อ>าใจที่ผูุชนเข้าใจได้เราก็เข้าใจเป็นคุยหมายป้ายทาง <c oughs> ที่นี้เราฟังแล้วดูเหมือนมันเหลือบากระแรงที่เราจะทําได้ <c oughs> แต่แท้ที่จริงเนี่ยทำได้ครูพระเจ้าสอนให้พวกเราทําำ <c oughs> วิธีทำที่พระองค์สอนให้เราทําก็คือให้เราฝึกมาแล้วแหละเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีล น, นะแล้วก็ทําใจให้สงบ แท้ที่จริงตัวที่พาเราเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายคือตัณหาตัณหาคือความอยากของจิตเราดูเห็นในจิตของเรามันอยากตัณหานี่เราสามารถสงบมันได้ระงับมันได้ท่านจึงให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุโให้มันคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องพุทโธไม่ให้มันคิดเรื่องราคะตัณหาไม่ให้มันคิดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องอะไรต่ออะไรสรพัดไม่คิด เราลองไปตั้งใจทำดู5นาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงทำจิตให้สงบมันสงบได้ไหมพอมันเริ่มสงบพอมันเริ่มสงบนี่มันจะไวต่อตันหาตัหามันเริ่มแทกเข้ามาปั๊บรู้ปั๊บในขณะเดียวกันปัญญามันเริ่มเกิดในขณะเดียวกันพอปัญญาเริ่มเกิดออาวิชาที่ว่าความไม่รู้เน่ะมันก็ค่อยๆจางไปจางไป ในเมื่อวิชาเกิดอาวิชา ก, ก, ก็ค่อยจ า, จางไปจางไปจางไปมันก็เป็นการมาฝึกซ้อมกันอยู่อย่างนี้แหละสังสมไปอบรมไปชักได้ล้างได้อะไรได้ทํากินให้ได้รับความสงบแล้วเอาความสงบนี้มาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงความโกรธเกิดขึ้นเพราะความหลงที่เขาเรียกว่าหลงโลภหลงโกรธหลงราคาหลงตัณหาหลงยึดผิดถือผิดสําคัญผิดมิจฉาทิฏฐิอะไรสารพัด เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความหลงเราแก้ความหลงได้ด้วยด้วยปัญญาแต่ปัญญาปัญญาจะเป็นไปโดยชอบเป็นสัมมาปัญญานั้นท่านจะต้องให้สงบสงบสะก่อนหลังจากสงบเสร็จแล้วมาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสีเนี่ยพิจารณายังไงถูกหมดพิจารณายัางไงได้หมดให้ทำสลับกันไปเนี่ยนีข่ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านสอน ไม่ใช่พูดเราพูดฟังตามท่านลอยๆไปแล้วเราโอ้ยเหลือกําลังที่เราจะทําเหลือบากกว่าแรงทําไม่ได้ทําไม่ถึงทําไม่เป็นเรารู้เราเข้าใจเราสังสมอบรมไปเป็นมันเป็นการสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆบางบางคนเราก็รู้ไม่ได้เจตนาที่ใส่บางคนใกล้จะเต็มแล้วก็มีเนี่ยนะปุปป๊บปั๊บเต็มตื้นขึ้นมาอ้าวไปก่อนคุบบาเราก็มีใช่ไหม <c oughs> อ้าสรุปสรุป เป็นอันสรุปว่าธรรมะทั้งหมดที่เราพูดเราคุยนี้เหมือนกับว่าเราเหลือบากหรือะไรงเราจำไม่ได้มากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทําย้อนมาดูปภาพที่ใจของเราย้อนผู้รู้มาอยู่กับผู้รู้สงบย อ, อยู่กับผู้รู้ย้อนมาอยู่ผู้รู้สงบกับผู้รู้เพราะมันข้อปฏิบัติอยู่ที่นี่อืตั้งใจทําไปเรื่อยๆเราจะไม่เราจะไม่สับสนอันนั้นก็มากอันนี้ก็ากจาไม่ได้อันนั้นก็จำไม่ได้อันนี้ก็จําไม่ได้ ความรู้อยู่เฉพาะจิตของตัวเองจิ้มเข้าไปเรื่อยๆจิ้มเข้าไปเรื่อยๆสงบเข้าไปเรื่อยๆสงบเข้าไปเรื่อยๆมันจะเกิดมันจะเริ่มเกิดปัญญาข้อควรจําที่เราจําได้บ้างอะไรบ้างเราก็ไปถือปฏิบัติไปโดยเฉพาะทานอย่าทิ้งศีลอย่าทิ้งสมาธินั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธคงจะจําได้จําไม่ยากนะพุโทโธพุโทโธนะี่ยไปท่องมีจิตสติกากับให้มันสงบระงับก็แล้วกันแหละหัดพิจารณาหัดแยกแยะ รูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูอาการของมันที่มันมีที่มันเป็นเราก็จะไม่สับสนแล้วกม็มันเป็นการศึกษาที่ถูกต้องนี่อันนี้มันเป็นมันเป็นการวางรกรากให้กับชีวิตจิตใจของเราเราถือว่าเป็นสริริเป็นมงคลที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปถือประพฤติไปถือปฏิบัติ